วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันแรกของปีใหม่เป็นวันที่พวกเราจะมาเริ่มต้นชีวิตของพวกเราใหม่ จะมาทำชีวิตของพวกเราให้ดีกว่าเก่าชีวิตของเราจะดีกว่าเก่าได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจการที่เราจะทำ าการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจให้ดีกว่าเก่าได้เราจาเป็นจะต้องมีทำเครื่องบังคับให้เรากะทาถ้าเราไม่มีอะไรมาบังคับใจเราใจเรามักจะทำตามอารมณ์ซึ่งอารมณ์ส่วนใหญ่ของพวกเรา เป็นอารมณ์ที่จะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีนำไปสู่ผลที่ไม่ดีที่พวกเราไม่ปรารถนากันถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นตามลำดับจนดีอย่างสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดีกันเราก็ต้องทำตามที่ท่านทรงปฏิบัติและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราปฏิบัติกันการที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เราจำเป็นจะต้องมีธรรมที่จะมาบังคับใจเราอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งอธิษฐานความตั้งใจสองสัจจะความจริงใจสามเวริยะความอุตสาหะภาคเพียรและสี่ขันติความอดทน ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสประการนี้อยู่ในใจแล้วเราจะสามารถควบคุมใจของเราให้กระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องพยายามสร้างคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ขึ้นมาให้ได้ แล้วเราจะได้ควบคุมใจให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำก็คือทำทานรักษาศีลและภาวนาดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำกันในวันแรกของปีใหม่ก็คือตั้งสัจจะอธิษฐาน อธิษฐานก็คือตั้งใจตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะเอาเวลาที่เรามีว่างจากภารกิจการงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญทานศีลภาวนากันนี่คือสิ่งแรกเราต้องตั้งกรอบ ของการปฏิบัติของเราว่าต้องไปในทางนี้ถ้าเหมือนกับสมัยใหม่นี้เราจะเดินทางไปไหนเราต้องตั้ง GPS ไว้ก่อนตั้งว่าเราจะไปสู่พิกัดไหนพอตั้งแล้วรถยนต์ก็จะวิ่งไปตามพิกัดที่เราได้กำหนดไว้พิกัดของเราก็คือ มรสีผลสีนิพานหนึ่งนี่คือจุดหมายเป้าหมายของพวกเราพวกเราต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการจะไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องรู้ว่าที่สุดของความทุกข์นั้นอยู่ทิศทางใด อยู่พิกัดใดนั่นเองพวกเรามีวาสนามีโชคที่เราได้พบพิกัดได้จากพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงได้ค้นพบพิกัดที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด หลังจากที่พระ อ, องค์ทรงค้นพิกัดนี้แล้วจึงนำเอามาบอกพวกเราให้พวกเราตั้ง GPS คือใจของพวกเราไปที่พิกัดนี้คือไปที่มรซีผลสีนิพานหนึ่งด้วยการ ตั้งใจอธิษฐานขึ้นมาด้วยการดำเนินไปในทางที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางนี้ทางที่จะพาไปถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็คือทานศีลภาวนาดังนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานกันในวันนี้เลยว่าต่อไปนี้ เราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การเจริญทานศีลภาวนาให้มีมากขึ้นไปตามลำดับจากจากความสามารถที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนทำได้อย่างเต็มร้อย ในเบื้องต้นเราอาจจะทำได้กันร้อยละสิบหรือร้อยละ2ี่สิบหรือร้อยละ 30, สก็และสุดแท้แต่ความสามารถและอดีตที่เคยได้ทำมามากน้อยบางท่านยังไม่เคยทำเลยก็อาจจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์บางท่านเคยทำมาแล้วเคยได้ส0สแล้วก็เริ่มจาก30สไป บางท่านก็ได้ห้าสิบปดสิบหรือเก้าสิบนี่คือความแตกต่างของจิตใจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาและแยกยะเป็นบัวสี่เราพวกที่อยู่ที่ศูนย์พวกที่อยู่ที่ยี่สิบสี่สิบหกสิบตามลำดับไป ดังนั้นผู้ที่อยู่ที่ศูนย์ก็จะต้องใช้เวลามากใช้ความเพียรพยายามมากกว่าผู้ที่อยู่ที่ยี่สิบหรือสี่สิบดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงมีความสามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุผลได้แตกต่างกันผู้ปฏิบัติแต่ละคนจึงไม่ควรที่จะ ไปกังวลกับผู้อื่นว่าเขาปฏิบัติได้ง่ายได้เร็วกว่าเราหรือได้ช้าได้ยากกว่าเราอันนี้มันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาว่าเราได้ทำมามากน้อยเพียงไรเราควรจะกังวลกับที่ตัวเราว่าตอนนี้เราทําได้มากน้อยเพียงไร ได้ยากได้ง่ายเพียงไรก็ขอให้เราพยายามทำไปทำให้มากขึ้นไปตามลำดับพยายามตัดภารกิจการงานอื่นๆให้น้อยลงไปให้เอาไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาจเจริญทานศีลภาวนา ให้ได้มากขึ้นไปตามลำดับนี่คือการตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะเจริญทานศีลภาวนาเป็นงานหลักของเราส่วนงานเลี้ยงชีพหาปัจจัยศีล น, นี่เป็นงานรองส่วนงานของกิเลสตัณหา คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องพยายามตัดให้มันเหลือให้เหลือศูนย์ให้ได้อย่าให้มันมาเอาเวลาอันมีคุณค่าของเราที่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนี้ไปหมดกับการทำงานของกิเลสตัณหาที่ไม่ใช่เป็นทางที่จะนำพาไปสู่ มรสีผลสีนิพพานหนึ่งแต่เป็นทางที่จะดึงจิตใจของเราให้ถอยห่างออกจากมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเมื่อเราได้ตั้งสัตได้ตั้งอธิษฐานแล้วเราก็ต้องผูกอธิษฐานความตั้งใจนี้ไม่ให้ล้มเหลวด้วยสัจจะคือความจริงใจ เอาจริงเอาจังพอตั้งอะไรแล้วจะต้องทำตามที่ตั้งไว้ให้ได้มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือตายหรือสุดวิสัยพิกลพิการไม่สบายจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน ในวันเพ็ญเดือนหกวันที่พระองค์จะทรงตัดสารุพระอนุตตรสามมาสัมโพธิยาณวันที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าต่อไปนี้จะนั่งภาวนาจเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาตรงที่ต้นโพนี้ไปจนกว่า จะได้บรรลุธรรมจนกว่าจะได้มรรคสีผลรีนิพพานหนึ่งถ้ายังไม่ได้ถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปพระองค์ก็จะไม่ทรงลูกจากที่ประทับนี้ไปโดยเด็ดขาดนี่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่เป็นกรอบที่จะบังคับ ให้ใจต้องภาวนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาจนกว่าจะได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งถึงจะลุกจากที่ประทับไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาคือความตั้งใจแล้วก็ต้องมีความจริงใจที่จะกระทําตามที่เราตั้งใจไว้ ไม่ใช่พอมีอะไรมากระทบหน่อยมีอะไรมาฉุดลากไปหน่อยก็ทิ้งความตั้งใจนิไว้ไปทำอย่างอื่นแทนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถทำอะไรให้สาเร็จลุล่วงไปได้เพราะจะไม่สามารถทำตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้นั่นเอง ในการปฏิบัติที่ยาก ง, ง่ายที่ช้าหรือเร็วส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สัจจานี่เองว่าจะมีสัจจะต่อการอธิษฐานต่อการปฏิบัติสิ่งที่ตนได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าตั้งมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเหมือนกับหลอกตัวเองให้รู้สึก ดีว่ามีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจที่ดีแต่พอถึงเวลาที่จะทำก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีไว้เพราะเวลาปฏิบัตินี่ถ้าเราไม่มีอธิษฐานสัจจะนี่มันจะถูกกิเลสตัณหาดึงเราให้เราล้มเหลวลงไปได้ ทำทานรักษาศีลก็จะไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างล่มลุกคุุกครานทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ยากต่อการที่จะได้ผลที่ต้องการกันแต่ถ้ามีอธิษฐานมีอัศจรย์ที่แน่วแน่ตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ อันนี้จะทาทานมากน้อยเพียงไรก็ต้องทำให้ได้จะรักษาศีลกี่ข้อก็ต้องรักษาให้ได้จะภาวนากี่ชั่วโมงก็ต้องภาวนาให้ได้นี่คืออธิษฐานและสัจจะพอเรามีอธิษฐานสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะตามมาเพราะว่าผลจะเกิดขึ้นได้นั้นก็เกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากความภาคเพียนนี่เองเพียนมากเพียนน้อยผลก็เกิดชา้าหรือเกิดเร็วเกิดมากเกิดน้อยนี้อยู่ที่วิริยะอยู่ที่ความอุตสาหะภาคเพียนมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วพอเวลาทําความเพียงก็ทมามันนิดเดียวทํไม่ไม่ให้มันเสียเสียสัจจะไม่ให้เสียอธิษฐานแทนที่จะทําให้เต็มร้อยก็ทํามันเพียง ยี่สเสามสิเอร์เซนถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยต้องมีความเพียรเต็มร้อยทําให้เต็มที่มีเท่าไหร่ทํามันเข้าไปมีเงินมีทองที่ต้องการจะทําทานมากน้อยเท่าไหร่ทํามันไปศีลก็รักษามันให้ได้เต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นศีลห้าในเบื้องต้นก่อน แล้วก็ก้าวไปสู่ศีลแปดต่อไปเพราะว่าการที่เราจะภาวนาได้อย่างง่ายดายไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การมีศีลแปดการรักษาศีลแปดถ้ารักษาศีลห้านี้มันสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมันศีลห้าไม่สามารถ ยับยั้งกิเลสที่จะมาดึงเอาเวลาอันมีค่าที่จะใช้ในการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาภาวนาไปได้แต่ถ้ามีศีลแปดนี้มันจะกั้นกิเลสตัณหาที่จะมาขโมยเวลาให้ไปทำอย่างอื่นไม่ให้เราได้ภาวนากันอย่างเต็มที่ เช่นถ้าเรารักษาศีลห้าเรายังกิเลสมันยังหลอกให้เราไปทำกิจอย่างอื่นได้เช่นไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไปรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารมากขนาดนั้นแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเวลารับประทานอาหารมากก็จะเกิดความเกลียดคร้าน เกิดความง่วงเหงาหานอนแล้วก็ยังมีช่องให้กิเลสมันดึงให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกเช่นไปดูภาพยนตร์มหรสพต่างๆเครื่องบรรเทิงต่างๆให้เราไปเสียเวลากับการเสริมสวยความงามของร่างกายให้เราไปเสียเวลากับการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกาย เวลาค่าเวลาที่มีคุณค่าที่เราจะได้เอามาปฏิบัติมาภาวนากันก็จะหมดไปกับกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดแต่ถ้าเรารักษาศีลแปดได้แล้วเราก็จะไม่สามารถไปทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ไม่สามารถไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ไม่สามารถรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วได้ ไม่สามารถไปดูมหัศลพพวกเครื่องบรรเทิงต่างๆได้ไม่สามารถที่จะเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายได้ไม่สามารถที่จะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายได้เพราะเราจะนอนบนพื้นไม้พื้นที่แข็งพื้นที่ไม่ไม่มีเบา หนาๆปูไว้ให้นอนเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากจะนอนมากเกินไปเพราะมันนอนแล้วมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนก็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะลุกเพราะนอนไปก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหน า, หนามันสุขมันสบายถึงแม่ร่างกายจะได้พักผ่อนพอเพียงตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ใจยังไม่อยากจะลุกเพราะติดกับความสุขความสบายของเบาะที่นุ่มๆก็เลยจะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงนี่คือหน้าที่ของศีลแปดที่จะเสริมสร้างความเพียรให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างเหตุที่จะทำให้ใจเรา ได้ผลจากการบำเพ็ญสมถภาวนาเหตุที่เราต้องมีก็คือสตินี่เองเราต้องเจริญสติซึ่งเป็นการกระทําที่ยากมากสำหรับพวกเราสาหรับใจของพวกเราที่ไม่เคยถูกควบคุมบังคับที่เคยถูกปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆ พอถูกบังคับให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบทก็จะก่อความรู้สึกอึดอัดเราก็ต้องมีคุณธรรมข้อที่สี่ก็คือขันติความอดทนมันจะยากจะลำบาก ก็ต้องทนมันไปต้องฝืนทำมันไปเหมือนกับการกระทำสิ่งที่เราไม่เคยกระทำมาก่อนมันจะยากกว่าการกระทำในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเช่นถ้าเราถนัดมือขวาการใช้มือขวานี้จะรู้สึกง่ายสบายแต่พอต้องมาใช้มือซ้ายบังคับให้ใช้มือซ้ายนี่มันจะไม่ถนัด และมันจะรู้สึกยากลำบากแต่มันเป็นสิ่งจาเป็นที่เราต้องทำเพราะการปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดนี้จะไม่ทำให้ใจสงบจะไม่ทำให้ใจเป็นหนึ่งจะไม่ทำให้ใจมีความสุขที่จะมาใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ ดังนั้นเวลาที่เราต้องเจริญสติเราต้องใช้ขันติความอดทนใช้วิรยิยะอุสาหะความภาคเพียรใช้อธิษฐานสัจจะคอยควบคุมให้เจริญสติให้ได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญะคือมีสติตลอดเวลาไม่เผลอไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับพุโทโธพุทโธไป หรือจะอยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายในทุกเอเรียบทถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เช่นอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ใจก็จะเป็นหนึ่งใจก็จะนิ่งใจจะสงบ แล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ อ, อุเบกขาเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสุขที่เต็มไปด้วยความอิ่มความพอพอเรามีความสุขอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกําลังที่จะต้านความอยากต่างๆได้เพราะความอยากนี้มันเป็นความหิวปลอมมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่หลอกเรา ว่เราหิวเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้่พอเรามีความอิ่มที่เกิดจากสมาธิที่เป็นความอิ่มจริงเป็นความพอจริงถึงแม้ว่าจะเป็นความอิ่มความพอชั่วคราวมันก็พอที่จะใช้สู้กับความอยากที่เป็นความหิวปลอมนี้ได้ ทำไมถึงเรียกว่าหิวปลอมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามความอยากเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราอดอยากขาดแคลนแต่อย่างใดถ้าใจเรามีความสงบที่เรารู้สึกว่าเราหิวเราอดอยากขาดแคลนก็เพราะว่าใจเราไม่สงบนั่นเองใจเราไม่มีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงทำให้เรา ก่อความรู้สึกหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาจนติดเป็นนิสัยไปหลังจากที่เราได้สมาธิได้ความอิ่มแล้วนิสัยความหิวความอยากนี้มันก็ยังไม่ตายไปมันก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วแล้วเราได้ ปัญญาจากพพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นการให้ความสุขที่แท้จริงแต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ที่จะตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะความสุขนี้มันจะไม่มีวันหมดไปทับต่อให้เราทำตามความอยากได้มากน้อยเพียงไร มันจะไม่ได้ทำให้ใจของเราอิ่มทำให้ใจของเราพอแต่จะกลับทำให้ใจของเราหิวทำให้ใจของเราวุ่นวายไปอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบและอิ่มอย่างถาวรก็คือเราต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นให้เราดูสิ่งที่เราอยากได้ว่าเวลาได้มาแล้วมัน มีผลอะไรกับจิตใจเรามันให้ความสุขเรานา น, านสักเพียงไรบางทีมันให้เราเดียวเดียวท่าน้นเองแล้วมันก็จางหายไปแล้วก็ทำเกิดความอยากที่จะได้ใหม่ทวนของที่ไม่จางหายไปของที่ได้มาแล้วยังมีอยู่มันก็กลับสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราได้ของอะไรมาเราก็มักจะรักจะหวง จะห่วงเพราะเราอยากจะให้ของที่เราได้มาหรือบุคคลที่เราได้มานั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่จากเราไปแต่พอเราคิดขึ้นมาว่าเขาอาจจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งหรือเขาจากเราไปจริงๆเวลานั้นแทนที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้มานั้นกลับกลายเป็น เหตุที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี้มักจะทําให้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราได้มาเราจะมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กับอะไรอันนี้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูตามที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาและได้ทรงปฏิบัติมาพระองค์ทรงเผน ความอยากทุกชนิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามตัณหาพระองค์ก็ทรงฝืนไม่ทําตามกามตัณหาวิภวตัณหาภาวะตัณ ห, หาคือความอยากมีอยากเป็นพระองค์ก็ทรงฝืนไม่กระทําวิภาวะตัณหาก็ทรงฝืนไม่กระทําตามความอยากพอไม่กระทําไปเรื่อยๆความอยาก ก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลาดับแล้วก็จะหมดไปในที่สุดนี่แหละคือวิธีที่เราจะสร้างมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งให้เป็นไปอย่างถาวรต้องสร้างด้วยวิปัสสนาภาวนาคือหลังจากที่เราได้สัมมาภาวนาคือความสงบแล้ว เราก็เอาความสงบนี้มาต่อสู้กับความหิวความอยากต่างๆมาสนับสนุนปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงดีขนาดไหนก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันก็ต้องจากเราไปถ้าเรารักมันเราก็จะทุกข์ของไม่ดีถ้าเราเจอมันเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากจะให้มันหายไป มันก็ถายไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสั่งให้มันหายไปได้เช่นเวลาความแก่โผลมาเราจะสั <opportunities> ่งให้ม <subsequent> ันหายไปไม่ได้เราจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะสั่งให้มันหายไปไม่ได้ เวลาที่มันจะตายขึ้นมาเราไปสั่งให้มันไม่ตายไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปสั่งอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทำให้เราต้องเครียดต้องทุกข์ทรมานใจไ ป, ปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดความแก่ก็ยังต้องแก่ความเจ็บก็ยังต้องเจ็บความตายก็ยังต้องตายแต่ความเจ็บ ความแก่ความตายนี้มันไม่ได้เป็นตัวปัญหามันไม่ได้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ต่างหากอันนี้คือความจริงที่เรียกว่าปัญญาที่เราสามารถพิจารณาแล้วแยกแยะออกให้เห็นได้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยกันแนะ่พวกเรา กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเหมือนกับกลัวเสือแต่ความจริงมันเป็นเสือที่ไม่กัดนะไอ้ตัวที่กัดเราเรากลับไม่กลัวเรากลับไม่รู้ว่ามันเป็นตัวที่กำลังกัดเราตัวที่กำลังกัดเราก็คือตัววิภวตัณหานี่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นพระ อารยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระสวดาบันขึ้นไปนี้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเพราะท่านเจอเสือที่แท้จริงและได้ฆ่ามันท่านรู้ว่าไอเสือตัวนี้ก็คือวิภวตันหานี่เองไอตัวที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะมันไม่มองความจริงมองแต่ความหลงคิดไปตามความหลง รักอะไรแล้วก็ต้องให้มันอยู่กับเราไปตลอดรักร่างกายนี้ก็ต้องการให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแล้วก็เลยสร้างเสือขึ้นมาเสือที่แท้จริงก็คือความความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะแล้วก็เลยรู้ว่าต้องฆ่าตัวไหนตัวที่จะต้องฆ่าก็คือตัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เอง ตัวนี้แหละที่เป็นเสือจริงเสือปลอมก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันไม่กัดเรามันไม่ทำลายจิตใจของเราอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสมถะภาวนาถ้าไม่มีสมถะภาวนาเราจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาความจริงอันนี้มันต้องพิจารณาในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริง ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์จริงอย่างตอนนี้เราพิจารณากันมันยังไม่ได้เป็นของจริงมันยังดับความทุกข์ไม่ได้มันยังฆ่าเสือไม่ได้ต้องรอให้เสือมาจริงๆก่อนต้องรอให้เกิดวิพาทตันหาขึ้นมาจริงๆการที่จะเกิดวิพาทตันหาขึ้นมาก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายอย่างจริงๆแล้วดูซิว่าจะทําใจได้หรือเปล่า ทำใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็แสดงว่าเราได้ข้าเสือตัวที่มาคอยกัดกินใจของเรานี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่จะต้องเอามาใช้ในการฆ่าเสือทั้งสามตัวนี้เสือคือการมตัิหาวิภวติหาภาวตันหา กามตัณหาก็คือความอยากในกามเช่นอยากจะเสพกามอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเห็นเขาสวยเห็นเขาหอเห็นแล้วเกิดอารมณ์กำหนับยินดีถ้าไม่ได้เสพแล้วมันงดหยิดกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าได้เสพแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสพใหม่เหมือนกับยาเสพติด ที่เวลาอยากขึ้นมาก็คิดว่าเสพแล้วจะมีความสุขพอได้เสพแล้วมันก็เป็นความสุขเดียวยวพอผ่านไปแล้วไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องเสพใหม่แต่เราจะเสพไปได้ตลอดไปถึงเมื่อไหร่เพราะร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงร่างกายของคนที่เราจะเสพด้วยเขาก็ไม่เที่ยง และสิ่งที่ไม่เที่ยงเร็วกว่าร่างกายของเขาก็คือจิตใจของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่ชอบเราวันใดวันหนึ่งขึ้นมาก็ได้ไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถึงเวลานั้นเราเราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องอดหยุดทุกทรมานใจนี่คือไม่ได้เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์ให้กับใจ แต่เป็นวิธีตรงกันข้ามกันคือสร้างความทุกข์ให้กับใจทำลายความสุขที่มีที่ได้จากความสงบไปนี่แหละคือเสือที่เราต้องฆ่ามันให้ได้จะฆ่ามันให้ได้ต้องล่อมันออกมาจากกรงออกต้องล่อให้มันออกมาตอนนี้มันไม่มีอมารมณ์อะไรต่างๆมันไม่รู้จะฆ่าเสือไดอย่างไรเสือมันไม่ออกมา ถ้าเราอยากจะฆ่าเสือเราก็ลองถือศีลแปดไปดูคนที่อยู่ด้วยกันต้องนอนหลับด้วยกันนี่ลองถือศีลแปดดูไปสักพักหนึ่งดูซิว่าเสือมันจะออกมาหรือไม่ออกมามันต้องรอมันต้องสร้างภาวะให้ให้เกิดความอยากขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่สร้างภาวะให้เกิดความอยากคือเวลาเกิดความอยากก็รีบทาตามความอยากความอยากนั่นก็หายไป เวลามันอยากแล้วเราอยากไปตอบสนองความอยากดูเสว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรทุกหรือไม่ทุกทุกแล้วเราจะแก้อย่างไรจะแก้ด้วยการทำตามความอยากหรือจะแก้ด้วยการไม่ทำตามความอยากถ้าแก้ด้วยการทำตามความอยากก็เหมือนกับเวลาที่เราต้องการดับไฟเราเอาน้ำมันเทลงไปเราคิดว่าเป็นน้ำแต่ความจริงมันเป็นน้ามัน เวลาเทลงไปใหม่ๆไฟมันก็ทําท่าจะดับเพราะตอนนั้นน้ํามันยังไม่ร้อนมันก็เป็นเหมือนน้ําแต่สักครู่เดียวเท่านั้นแหะน้ํามันที่มันเย็นนั่นมันร้อนขึ้นมามันก็เกิดการปฏทุทําให้เกิดไฟลุกขึ้นเป็นกองใหญ่กว่าเก่านี่คือการดับไฟด้วยการดับความอยากด้วยการทําตามความอยากพออยากวับก็ทําตามความอยากวับ ความทุกข์นั้นก็หายไปแต่หายไปไม่นานเดี๋ยวมันกลับเกิดความอยากที่ใหญ่โตกว่าเดิมต้องการมากกว่าเดิมเคยได้แค่นี้คราวหน้าอยากจะได้สองเท่าของคราวที่แล้วนี่คือลักษณะของความอยากของการดับความทุกข์ด้วยการทาตามความอยาก มันจะทำให้ความทุกข์นี้รุนแรงขึ้นความอยากรุนแรงขึ้นไม่ใช่ให้เบาให้น้อยลงไปถ้าจะให้เบาให้น้อยลงต้องทำแบบพระพุทธเจ้าคือต้องไม่ทำตามความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วใช้สมถะภาวนาใช้ความสงบมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับความอยากต่างๆ พอฝืนได้แล้วครั้งต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนลงเบาลงไปความรุนแรงจะอ่อนลงไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกสบายมันจะเกิดขึ้นมานี้เราถ้าเราสู้กับตัวแรกได้แล้วตัวที่สองตัวที่สามนี่มันจะเล็กลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเทน้ําลงไปในกองไฟไฟมันก็จะลดอุณหภูมิ ล, ลงไปความรุนแรงของไฟก็จะ อ่อนลงไปพอเราเทครั้งที่สองลงไปมันก็ยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดไฟมันก็จะดับไปนี่คือเรื่องของการใช้สมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในการบรรลุมรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ค้นคว้าศึกษาหาได้ด้วยตนเอง จงรู้ว่าการแก้ความทุกนี้ต้องแก้ด้วยการละความอยากไม่ใช่แก้ด้วยการทําตามความอยากพอพระองค์ได้กำจัดความอยากหมดสิ้นไปจิตใจจากจิตใจพัฒัยของพระองค์ก็เหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่หมดเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่เสือ่อมไม่หมดนั่นเอง สิ่งที่อยู่ในจิตใจก็จะอยู่ไปกับจิตใจไปตลอดเพราะสิ่งที่จะมาทำให้เสื่อมให้หมดนั้นมันไม่มีคือการก่อความอยากขึ้นมาและการเผลอสติไม่รักษาความสงบไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติสามที่เราจะรักษาความสงบไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเป็น ธรรมชาติของใจไปมีสติควบคู่กับใจไปตลอดอย่างที่หลวงตาท่านพูดสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือไม่ต้องไขาลานไม่ต้องคอยเจริญสตินี้ถ้าเราเจริญไปถึงขีดหนึ่งแล้วมันจะเป็นธรรมชาติไปมันจะเป็นของมันไปเองมันจะดูมันจะทําหน้าที่ของมันไปโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกไปเรียกมันเช่นเดียวกับปัญญา ที่เราใช้การพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นนี้เหมือนกับเราต้องไขาลานต้องคอยบังคับให้มองให้ใจมองทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมองไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเป็นนิสัยไปมันเห็นอะไรมันจะคิดถึงตายลักทันทีมันจะคิดถึงอสุภะทันทีมันจะคิดถึงดินธาตุสีดินน้ำลมไฟทันที เน่มันถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสามารถที่จะรักษาใจให้สงบไปได้ตลอดเป็นปรมงสุขขังได้ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นผลเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราเองไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติให้กับเราได้และสิ่งที่จะควบคุมบังคับให้เราอยู่ในร่องในรอยของการปฏิบัติ ก็คือคุณธรรมสี่ประการที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นก็คืออธิษฐานความตั้งใจสัจจะความจริงใจวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรและขันติความอดทนถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเราจะสามารถทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราก็คือ กะททาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการจเจริญทานศีลภาวานานี้ไปจนกว่าเราจะได้บรรลุถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเริ่มต้นกันในวันแรกของปีเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นไปตามลำดับจนดีได้ถึงขั้นสูงสุดจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันถดถอยเลย ถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทุกข์จะยากจะลำบากอะไรก็ขอให้ใช้ขันติความอดทนพยายามมาลึกถึงผลที่พระพุทธเจ้ารับพระสาวกได้รับกันว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเป็นผลที่เราได้รับกันเพราะคนที่เป็นเหมือนเรานี้เขาได้รับกันมามากมายแล้วเช่นครูบาอาจารย์ที่เรากล่าว่าบูชาท่านก็เริ่มต้นแบบเดียวกับพวกเราที่เรากาลังทาอยู่ในขณะนี้ ท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระอาหารหันตสาวกกันเลยท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่มีทั้งกิเลสมีทั้งตัณหาเต็มอยู่ในหัวใจแต่พอได้มาสัมผัส ร, รับรู้กับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอันแรงกล้าที่จากจะปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับเนื่ยพอได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐาน สร้างเวลยาความอุตสาหะภาคเปี่ยนสร้างขันติขึ้นมาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆสามารถดำเนินการปฏิบัติไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะเราก็เหมือนกับท่านเราก็มีเกิเลตตัญหาเหมือนกับท่านแต่เราเราก็มีจดนาความเชื่อเหมือนกับท่าน ถ้าเราไม่มีตอนนี้ก็อาจจะไม่มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้คือต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีสัจจะไม่ใช่ปล่อยให้จิตใจไหลไปตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอธิษฐานถ้ามีอธิษฐานแล้วมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ก็ต้องทำแล้วก็ต้องมีสัจจะพอตั้งแล้วก็ต้องทำ จะไปอ้างว่าติดธุระไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ต้องตัดธุระต่างๆไปต้องเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับการปฏิบัติสิ่งต่างๆในโลกที่เราทำนี้ถ้าประโยชน์ที่เราได้รับก็เพียงชั่วขา่าวต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เป็นประโยชน์ที่ถาวร เราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับการทําประโยชน์ชั่วคราวทําแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเราใช้เหตุผลอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาหลอกมาล่อให้เราไปทําอย่างอื่นถ้าเราทําได้แล้วผลต่างๆก็จะตามมาจึงขอฝากเรื่องของการเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยคุณธรรมทั้ง4ี่ประการคืออธิษฐานสัจจะ วิริยะและขันติให้ท่านได้นําเอาไปเจริญเอาไปสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นกรอบตังครับจิตใจของเราให้ได้ดําเนินตามทางที่พุทธเจ้าทรงได้ดําเนินมาก็คือทานแห่งทานศีลภาวนาเพื่อผลอันเลื่อันประเสริฐก็คือมรกคสีผลสีนิพพานหนึ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวากวาหาปุราปริปุเรนติสากครังเอวเมวะอิโตชินางเปตานางอุ ป, ปกรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิเป้เมวะสมิจตุสพเพรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโครินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัานติ าายุวนสงต่อไปนี้ก็เป็นเวลาถามตอบปัญหาธรรมถ้าใครต้องการจะถามปัญหาก็ขอกรณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนอย่าเทศนะขอให้ถามอย่ามี ป, ประลาพระบทเยอะ หอมคอหอมปากหอมคอแล้วเข้าเรื่องเลยถือว่าเอ่อบังเอิญอันนี้เป็นของจริงนะคะก็คือว่าบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งได้ยินคนเขาพูดเขาพูดว่าเขาพิจารณาอย่างนี้ยแต่ปรากฏหรอกฮ้ยนี่มันเป็นคำพูดของเราทั้งหมดเลยที่เราพูดกับเขาเมื่อวันก่อนนี่นะเสร็จปุ๊บขณะที่เกิดเนี่ยเพราะอาจารย์ใจมันเกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยาบางอยา่าง ซึ่งปฏิกิริยานั้นเรารู้ว่ามันมันเบากว่าลมหายใจยแต่มันเป็นอาการของความไม่พอใจหรือความหวงความคิดของเราก็คือลักษณะอาการที่เรารู้สึกว่าเบากว่าลมหายใจแต่เป็นปฏิกิริยาที่ไม่พอใจตรงนี้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าปฏิฆะหรือโทสะค ะ, ะมันงุนงงก็ปฏิฆะถ้าโทสะมันก็ มันก็หลักมันก็แรงเหมือนก็คลื่นเป็นลมเป็นเป็นคลื่นเป็นภูเขาไฟมันก็เป็นโทสะถ้ามันแบบหงดเงียบก็เรียกว่าปฏิฆาแต่มันก็ตัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอคือต้องไม่มีต้องอุเบกขาตลอดเวลาใครก็จะเอาคําพูดของใครนี่เราก็คําพูดพระพุทธเจ้ามาพูดเมืนพระพุทธเจ้าท่านโมโหเลยแหมเราเป็นยังไง เราของเราวิเศษขนยานไหนท่นี้เหรอจากตรงจุดนี่ค่ะว่าอาจารย์ทำให้เราเห็นนะหนูเห็นนะอาการของความหวงของของเราแม่ระต้งเป็นความคิดของของเราถ้ามีของของเราแสดงว่ามันต้องมีตัวเราแต่หนูอ่ะไม่สามารถเห็นตัวเราได้หนูเห็นแต่ของของเรามันไม่มีอะมันถึงมองไม่เห็นไง ตัวเราเป็นเพียงสมมุติเราสมมติขึ้นมาจากตัวรู้ตัวความคิดปรุงแต่งแค่นั้นเองคิดแล้วก็ไปยึดติดกับความคิดนั้นๆสิ่งนั้นๆถึงต้องมาแก้ด้วยสติด้วยปัญญาคอยสอนอยู่เรื่อยๆคอยปล่อยอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะปล่อยได้มันเป็นการฝึกหัดนิดสัยใหม่ นิสัยที่เคยยึดติดก็มาเปลี่ยนเป็นนิสัยที่ปล่อยวางยึดติดก็จะทุกข์ปล่อยวางก็จะสบายจะสุขหมอคะจริงๆก็จะถามต่อว่าลักษณะกิเลสแบบนี้จะต้องจัดการยังไงกับมันทีนี้พระอาจารย์ตอบมาแล้วก็ต้องคอยดูใจใจเป็นผู้ผลิตตัวตนขึ้นมา การนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอความเมตตาขออุบายในการภาวนาในขณะที่มีเวทนามากแล้วถึงวาระสุดท้ายของของของชีวิตเจ้าค่ะว่าภาวนาอย่างไรที่จะจิตไม่ตกลงไปอบัยภูมิเจ้าวิธีแก้ทุกขเวทนาก็มีสองระดับระดับสมถ ภ, ภาวนา และระดับวิปัสนาภาวนาการนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับสมถภาวนาเราก็ใช้สมถภาวนาแก้ไปก่อนถ้าเราอยู่ในระดับวิปัสนาภาวนาเราก็ใช้วิปัสนาภาวนาแก้ไประดับสมถภาวนาก็คือการ เพ่งจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปอยู่ที่ความเจ็บเพราะธรรมชาติของเราพอเห็นความเจ็บมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้อย่าให้มันอย่ามันผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพราะตัวนี้มันรุนแรงกว่าทุกขเวทนา ทุกในใจที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปนี้มันร้ายกาจกว่าทุกขเวทนาของร่างกายวิธีทำก็คือถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธเกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจรับรู้เรื่องของความเจ็บแล้ว ความเจ็บนั้นจะไม่รุนแรงเพราะความรุนแรงมันเกิดจากความเจ็บที่เกิดขึ้นในใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่มีความเจ็บทางใจขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนแล้วก็จะสงบได้พอสงบแล้วความเจ็บบางครั้งก็หายไปเลยทั้งทางร่างกายและทางใจถ้าไม่หายเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะ ปล่อยวางเป็นอุเบกขาวางเฉยๆความเจ็บของร่างกายมีอยู่แต่ก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเวลาที่เรายอมให้หมอเขาฉีดยารั่วยั ง, วยงไงก็ต้องฉีดเราก็ทำใจเฉยๆพอฉีดก็ไปจริงๆมันก็ไม่รุนแรงที่รุนแรงก็คือความไม่อยากจะฉีดตอนนี้มันทรมานกว่าแต่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเราก็จะหยุดความอยาก ให้ความเจ็บหายไปได้นี่ถ้าเราอยู่ในระดับสมถะภาวนาก็คือการเจริญสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใช้อารมณ์ใดก็ได้ถ้าใจเราสามารถเกาะติดอยู่กับอารมณ์นั้นแล้ไม่ไปคิดวุ่นวายไปกับทุกขเวทนาก็ใช้ได้ถ้าจะใช้อลมหายใจก็ได้จะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้ที่เราถนัด ส่วนถ้าเราอยู่ในระดับวิปัสสนาก็คือเราได้ความสงบแล้วเราเคยผ่านทุกขเวทนาด้วยการเจริญสติแล้วเราอยากจะผ่านเวทนาอย่างถาวรคือไม่ต้องมีความกลัวกับมันอีกต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นว่าเป็นตายักเห็นว่าทุกขเวทนานี้ก็ไม่เที่ยง ไม่ได้เป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเอ่ก่ อ, อนนี้มันจะเกิดมันก็เป็นสุ ข, ขเวทนาบ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาบ้างแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนาะแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นสุขบ้างไม่สุขบ้างสลับกันไปเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเรา ให้ใจของเราอย่าไปอยากให้มันเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปเพราะห้ามห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ตามใดที่ยังมีมีร่างกายนี้อยู่ตามนั้นจะต้องมีทุกขเวทนาอยู่เสมอไปมีแล้วมีเกิดแล้วก็มีดับไปแต่ใจของเรานี่สามารถอยู่กับมันได้ถ้าเรา ไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปไม่มีความอยากให้มีแต่สุขเวนทนาเพียงอย่างเดียวเราทําใจของเราให้เป็นกลางเหมือนกับเรายอมรับกับการขึ้นของผ้าทิศกับการตกของผ้าทิศเราพ้าทิศขึ้นเราก็รับได้ผ้ า, าทิศ ต, ตกเราก็รับได้ทันใดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเราก็รับมันได้ทุกขเวทนาหายไปเราก็รับมันได้ เพราะเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางเขาได้ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเป็นอุบเบกขาใจก็จะสงบไม่สะทกสะท้านกับทุกขเวทนาแล้วต่อไปจะไม่กลัวเวทนาอีกต่อไปมันจะมา ในทางไหนแบบไหนก็รับมันได้ไม่ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธ ร, รู้เฉยๆ เ, ยเยท่านั้นเองไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นเท่านั้นเองปัญหาก็หมดไปมีญาติโยมฝากถามค่ะกราบนมสการพระอาจารย์ค่ะหนูสวดมนต์เช้าเย็นครั้งละชั่วโมงเศษบางวันเกิดไม่อยากสวดขึ้นมามีวิธีแก้ไขยอย่างไรดีคะ จากน้องกนกวรรณค่ะก็อย่างที่เทศวันนี้ที่ให้เรามีอ ส, สัจจะอธิษฐานให้เรามีความตั้งใจและจริงใจต่อหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่สวดมนต์เช้าเย็นวันละชั่วโมงครั้งละชั่วโมงพอถึงเวลาจะมีความอยากสวดไม่สวดเราก็ต้องสวดมันไปยกเว้นที่เราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะสวดได้เราก็ผ่อนพันไปแต่ถ้าเรา สามารถทําได้ก็อย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวกําหนดให้เอาตัวสัจจะอธิษฐานเป็นผู้กําหนดว่าถึงเวลาต้องสวดก็ต้องสวดแล้วเราก็ต้องใช้วิริยะความอุตสาหามาช่วยดันใช้ขันติความอดทนมาช่วยกันไว้ไม่ให้มันยกเลิกไม่ให้มันยอมแพ้คําถามต่อไปจากคุณทิพย์ค่ะ ถ้าเรากำลังประสบเคราะห์กรรมจากอากุศ ล, ลกรรมทำอย่างไรจึงจะแก้ไขให้พ้นหรือตัดอกุศ ล, ลกรรมที่กำลังส่งผลอยู่ให้หมดไปได้คะขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ด้วยคะ่ะคือวิบากกรรมนี่เราจะป้องกันได้ก็ป้องกันที่เหตุก็คือไม่สร้างกรรมถ้าเราไม่สร้างกรรมก็จะไม่มีผลของกรรมตามมาแต่ถ้าเมื่อเราสร้างกรรมแล้วผลของกรรมก็ต้องตามมา เราก็ให้มองมันในมุมที่ดีก็คิดว่าว่าดีแล้วมันไม่เลวไปกว่านี้เช่นเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายัางไม่ตีเราเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายัางไม่ฆ่าเราเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมไปจะได้ไปเกิดใหม่คําถามจากอินเทอร์เน็ตค่ะข้อแรกจากคุณพิญโยค่ะนรัตการหลวงพ่อค่ะ นั่งสมาธิเหมือนคนนอนหลับนิ่งไปเฉยๆแต่รู้สึกตัวเห็นแต่ความคิดมาแล้วหายไปแล้วเกิดใหม่มีวิธีแก้อย่างไรดีคะถึงจะก้าวหน้าคะ่ะถ้าฟังทำไปด้วยได้ยินแต่ใจไม่รับนิ่งสว่างอย่างเดียวคะ่ะถ้ามันนิ่งสว่างสงบมันก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องทำอะไร ก็ควรที่จะให้มันนิ่งอย่างนั้นไปตามธรรมชาติของมันจนกว่ามันจะถอนออกมาสิ่งที่เล่าให้ฟังนี้รู้สึกจะขาดอย่างหนึ่งก็คือความสุขที่ได้จากความนิ่งนี้ถ้ายังไม่ได้ความสุขนี้ก็แสดงว่ายัางไม่นิ่งจริงยังไม่นิ่งแท้ถ้านิ่งแท้แล้วมันจะเกิดความมหัศจรรย์ใจเกิดความสุขใจจะไม่อยากจะจากสภาพนี้ไป แต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ก็ควรที่จะเจริญสติควบคุมความคิดต่อไปจนกว่ามันจะเข้าไปถึงจุดที่มันรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจไม่อยากจะให้มันหมดไปหายไปแลวอยากจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าถึงจุดนั้นแล้วนะ่ะมันถึงจะเรียกว่าถึงจุดอัปปนาสมาธิจุดรวมถ้ายังไม่ถึงก็อาจจะเป็นสงบพอสมควร คือไม่คิดปรุงแต่งมากจนเกินไปก็ควรพยายามภาวนาต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวาริศค่ะคารวะสมัยนี้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานยากเกินความสามารถหรือไม่ครับไม่ว่าเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชนี่มันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพมันอยู่ที่ว่าจะ มีความเพียรมีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่การบวชนี้เป็นสถานภาพที่จะเอื้อต่อการบวชและต่อการปฏิบัติเพราะว่าไม่ต้องมีภารกิจการงานอย่างอื่นมาดึงเอาเวลาไปแต่ถ้าบวชแล้วไม่สนใจกับการปฏิบัติก็ไม่ต่างกับการเป็นคารวะแต่ในทางคนกินข้ามถ้าเป็นคารวะแต่สามารถ หาเวลามาปฏิบัติได้มากกว่านักบวชผู้ที่มีเวลาปฏิบัติผู้นั้นแหละจะได้รับผลจากการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคาวละวะหรือเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณยาดาต่อมาค่ะกราบนมัสการถามพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอารมณ์โมโหรุ่งพลาดขึ้นมา ไม่สามารถนั่งต่อไปได้พยายามฝืนนั่งต่อไปก็ไม่เกิดความสงบขึ้นเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะและจะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะความโมโหฉฉนเฉียวนี่ท่านเรียกว่านิวรนเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งมีเป็นมีห้าอการด้วยกันที่นั่งสมาธิทำใจสงบนี้จะมกากจะประสบ คือหนึ่งความโกรธความฉุนเฉียวสองความลังเลสงสัยสามความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะกามชันทะนสี่มีอะไรนไม่ออก 4. ความง่วงเหงาหานอนห้าความฟุ้งซ่านนี่จะเป็นสิ่งที่จะมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่บำเพ็ญสมถ ภ, ภาวนา สาเหตุก็มีหลากหลายด้วยกันเช่นความโกรธนี่ก็อาจจะเพลิสติปล่อยให้เราไปคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจหรือว่าอยากจะให้ได้ผลเร็วๆแล้วพอนั่งแล้วไม่ได้ผลก็เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจโมโหตัวเองขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าเราโกรธคนนั่นคนนี้เราก็ควรที่จะ ดึงใจให้มาอยู่กับการภาวนาให้เจรรสติอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเช่นให้กลับมาหาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆด้านเดี๋ยวพอเราไม่ไปคิดถึงคนโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวมันก็จะหายไปหรือถ้าเราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาว่า เ, เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เราความอยากของเราอยากให้เขาทำอย่างนั้น yummy. ทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเราก็ต้องมาแก้ตรงที่ความอยากของเราแก้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรก็ต้องยอมรับความจริงไปเราก็จะหายโกรธถ้าเป็นปัญหาโกรธตัวเองที่ว่า อยากจะอยากจะนั่งร้อยมันสงบความอยากที่นั่งให้ความสงบนี่ก็จะทำให้เราเกิดความไม่พอใจได้เหมือนกันเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นว่าความสงบนี้มันไม่ได้เกิดจากความอยากให้มันสงบความสงบนี้มันเกิดจากการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องแล้วจิตมันก็จะสงบเอง จะสงบมากสงบน้อยนี่ก็อยู่ที่สติของเราไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราดังน้นเราต้องระมัตระวังบางทีเวลาเรานั่งแล้วเกิดความอยากให้มันสงบแล้วเราไม่สนใจกับการบริกรรมพุทธโธอย่างแท้จริงบริกรรมได้เพียงไม่กี่คำแล้วก็มาดูผลละเอทำไมไม่สงบสถทีเกิดการปรุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ยิ่งทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่สงบเพิ่มมากขึ้นไปใหญ่ เราต้องศึกษาวิเคราะห์ดูปัญหาของเราว่ามันเหตุที่ทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจนี้มันมาจากอะไรถ้าหาไม่ได้ก็ใช้วิธีบริกรรมพุทโธไปใช้การเจริญสติแก้ไปก่อนชั่วคราวไปก่อนถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเ น, นื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีความหงุดหงิดลำคาญใจมันก็จะหายไป มีเพื่อนฝากถามค่ะว่าช่วงนี้มีความหดหูง่วงเหงาเหานอนมาตลอดพยายามดูจิตเบรกมันไว้ก็ดีขึ้นบ้างแต่บางทีมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วมีอุบายในการทำความเพียรอย่างไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สติคำเดียวนี่ถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้จิตมันจะไม่สามารถผลิตความหดหูความ หงงเหงาหานอนความท้อแท้เบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านได้แตนะ่ถ้าเราดูมันเราไม่มีเบรกปล่อยให้มันดูมันเฉยๆมันก็เหมือนกับเฝ้าดูเด็กแต่ไม่มีอะไรบังคับให้เด็กอยู่เฉยๆเดี๋ยวเด็กมันก็ไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ดังนั้นกา ร, รการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ไม่ควรดูจิตควรหยุดจิตควรใช้สติควรจเจริญสติเบรกจิตอย่าให้มัน ผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วมันจะไม่สามารถที่จะผลิตนิวรณทั้งนิวรณ์ทั้งห้านี้ได้งนั้นขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติเอาตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งอย่า่าเจริญสติตอนที่เรานั่งเพราะมันจะไม่ทันการมันจะไม่พอกำลังจะไม่พอต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับในทุกิริยาบท จะใช้การบริการพุโทโธควบคู่กับการทำอะไรไปก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าจดจ่อดูการกระทำของเราในทุกปีริยาบทก็ได้อย่าให้ไปคิดถึงอดีตอนาคตอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ใกล้ที่ไกลให้คิดอยู่ตรงปัจจุบันนี้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วจิตจะนิ่งจิตจะว่างจิตจะเย็นจะสบายนิวรณ์จะไม่เกิดมีไม้ม แล้วก็มีข้อหนึ่งแต่เหมือนกับว่าพระอาจารย์ได้ตอบแล้วเราถามว่าคำว่าภาวนาจริงๆแล้วนิยามคืออะไรก็มก็มีสองขั้นไงสมถะภาวนาก็คือการเจริญสติให้ใจมีอารมณ์ควบคุมใจไม่ให้คิดวุ่นวายแต่ไม่ให้คิดพุ่งซ่านให้ใจสงบเรียกว่าสามถะภาวนาถ้าวิปัสสนาภาวนาก็ให้ใช้ปัญญาควบคุมใจให้ใจคิดไปในทางความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เพื่อที่ใจจะได้หยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบอีกข้อหนึ่งค่ะเขาถามว่าพิจารณาไตรลักษณ์นี้ทำอย่างไรบ้างก็มองอะไรก็มองให้เห็นว่าไม่เที่ยงสมมติร่างกายของเรานี้เที่ยงไม่เที่ยงถามตัวเองเด้อ มันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกขณะเนี่ยร่างกายเราแก่ลงไปทุกวินาทีทุกวินาทีเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงมันมันช้าเลยดูเหมือนกับมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปดูภาพถ่ายที่เราถ่ายเมื่อสิปีที่แล้วกับวันนี้มันจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นคนละคนไปเลยนั่นแหละมันไม่เทียมมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะ หมดไปในที่สุดนพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็เรียกว่าพิจารณาอนิจจ์พิจารณาว่าเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราไปห้ามไปสั่งมันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยเนี่ยตายรักก็อยู่ตรงเนี้ยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงถ้าอยากให้มันเที่ยงก็จะเป็นทุกข์ เพราะว่าทําให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยให้เห็นสามตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นตัวที่มันกํากับคุณสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้เราต้องรู้ทันแล้วปล่อยวางถ้าเห็นตายรักแล้วเราจะปล่อยวางเพราะเราจะไม่อยากจะทุกขนะ์เวลาเราทุกข์เราก็ ค้อนหันกลับเข้ามาดูเลยว่าอตอนนี้ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใช่ไหมอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละเรียกว่าต่ยล้วหมดแล้วเลยหมดแล้วมีใครอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันขึ้นปีใหม่นี้ให้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญความก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ